เพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องไม่ดีซ้ำๆถามมักเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวเองในรูปแบบซ้ำๆกันบางทีก็เจอคนแบบเดียวกันกระทากับเราเหมือนคนก่อนๆจนชักเชื่อว่ากรรมคงมีจริงแต่จะให้ทาอย่างไรพยายามอ้อนวอนให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามอภัยเขาแล้วพยายามหลีกเลี่ยงไม่พบเขาแล้วแต่เจอคนใหม่ก็เกิดเรื่องแบบเดิมๆอีกอยู่ดี บางทีอยากหนีให้พ้นพ้นจากโลกนี้ไปเลยตอบเราหนีหน้าคนได้ครับหรือจะหนีโลกใบนี้ไปเลยก็ได้แต่จะไม่มีวันหนีกรรมของตัวเองพ้นและถ้าหนีกรรมของตัวเองไม่พ้นก็แปลว่าเรื่องเดิมๆยังต้องหวนกลับมาหาอีกอยู่ดีในโลกอื่นถ้าเราเป็นนี่มาเฟียประเภทเขี้ยวลากดินนั้น ต่อให้หนีสุดล่าฟ้าเขียวไปยี่สิบปีเขาก็ยังส่งคนตามล่าแบบกัดไม่ปล่อยอยู่ดีจนกว่าจะแน่ใจว่าเราตายไปแล้วถึงจะสั่งหยุดแต่กฎการทวงหนี้ของกรรมยิ่งเคี่ยวลากดินกว่านั้นหลายขุมเพราะถึงเราตายดับไปแล้วหลงลืมไปแล้วว่าเคยก่อหนี้อันใดไว้กรรมก็ยังคงติดตามตัวไปอยู่นั่นเองไม่ปล่อยเราเลยจนกว่าจะใช้หนี้ได้หมด แทนการพยายามหาทางลัดในการหนีกรรมลองกัดฟันเปลี่ยนเส้นทางกรรมดูจะดีกว่าเพราะนั่นจะเป็นไปได้จริงและก่อให้เกิดความสุขในระยะยาววิธีเปลี่ยนเส้นทางกรรมทำได้ดังนี้ 1. ให้ทราบกติกาของกรรมไว้อย่างหนึ่งคือตราบใดยังผูกเวรแม้ด้วยใจตราบนั้น เราจะยังเป็นผู้อยู่บนเส้นทางกรรมเดิมบางคนรู้สึกว่าตัวเองให้อภัยไปหมดแล้วเอ่ยปากขอโกรดน้ำคว่มกลาไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วแต่ใจแท้ๆยังเคลือบด้วยความเคืองอันนั้นแหละคือสายใหญ่ที่ยังโยงเราไว้กับเส้นทางเก่าอยู่ 2. แม้ไม่ทราบว่าเราทำกรรมอันใดามาแต่หุนไหน ถึงต้องมารับผลกรรมซ้ําๆแต่เราก็สามารถทราบได้ว่ากําลังเสวยผลกรรมอันทําให้เกิดทุกข์ด้วยอาการหนึ่งๆเป็นประจําเช่นถูกคนหลอกหรือถูกใครต่อใครทิ้งขว้างหรือถูกทําร้ายร่างกายก็ให้ทําใจไว้ว่าเราคงเคยหลอกใครต่อใครหรือเคยทิ้งขว้างใครต่อใครหรือเคยทําร้ายร่างกายใครต่อใคร มาเป็นประจำในอดีตชาติหนหลังนั่นเองดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่เป็นตรงข้ามเสียในชาตินี้คือคิดว่าเราจะไม่หลอกใครคิดว่าเราจะไม่ทิ้งขว้างใครและคิดว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายใครปกติคนเราชอบระบบตาต่อตาฟันต่อฟันโดนอย่างไรต้องเอาคืนอย่างนั้น ต่อให้เอากับเจ้าตัวที่ก่อเรื่องเดือดร้อนกับเราไม่สาเร็จก็อุตส่าห์จะผ่านพาโลไปลงเอากับคนอื่นจนได้สนอกจากคิดในเชิงตั้งรับคือไม่โต้ตอบให้เป็นบาปแล้วควรคิดในเชิงรูปคือให้ทำคุณกับคนอื่นด้วยยิ่งถ้าเขาร้ายมาแล้วเราดีตอบโดยไม่สนใจเรื่องทาคุณไม่ขึ้น ก็จะยิ่งเกิดผลด้านบวกทวีตัวสั่งสมเข้มข้นขึ้นเรื่อยเพราะพิสูจน์กำลังใจแล้วว่าแน่จริงคำแนะนำเหล่านี้ดูเหมือนยุให้ยอมท่าเดียวนับว่าเสียเปรียบขอให้คิดว่าเราไม่ได้ยอมมนุษย์ด้วยกันแต่เรายอมจำนวนขอทนรับผลกรรมของตนเองซึ่งเราลืมไปแล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่ลืมบ้าง คนอื่นเขาจะคิดว่าเราโง่ที่ยอมเสียเปรียบมนุษย์ด้วยกันก็ช่างเขาเราขอฉลาดในเรื่องกรรมไม่ยอมติดอยู่ในขายวิบากชั่วให้ยืดเยื้อทรมานก็แล้วกันจำง่ายๆคือถ้าเป็นทุกข์เพราะเป็นฝ่ายถูกกระทาแล้วเราไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกใจเจ็บให้เป็นเวรต่อเวรสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันที ี่สูจได้ในภายในคือความรู้สึกสงบสุขและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่สามารถล่วงรู้ด้วยหูตาคือวิบากกรรมจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่เราตัดสินใจไม่ต่อเวรไม่ผูกใจเจ็บการไม่ผูกใจเจ็บไม่ลงมือตอบโต้ก่อเวรต่อ แถมยังพยายามทำคุณกับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นหาใช่เป็นเพราะเราอยากแกล้งแสดงบทเป็นพ่อพระหรือแม่พระแต่เป็นการตั้งใจยกเอาตนเองออกจากเส้นทางอุบาทสายเดิมขึ้นสู่เส้นทางใหม่ไก่ออกมาเรื่อยๆปกติถนนหนทางเส้นใหม่ย่อมมีบ้านเรือนและผู้คนแปลกตายอย่างไรฉันใดก็ฉันนั้น บนเส้นทางกรรมใหม่เราก็จะเห็นผู้คนและสถานการณ์แปลกใหม่ในทางดีกว่าเดิมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันตระหนักถดว่าเส้นทางกรรมไม่ได้เริ่มสร้างขึ้นที่ภายนอกตัวแต่เริ่มสร้างขึ้นที่ใจอันคิดไปต่างๆภายในเราเองอย่าหวังเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่นอกตัว แต่ให้หวางเปลี่ยนแปลงความคิดที่อยู่ในตัวแม้อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะเห็นผลเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นที่โลกภายนอกแต่อย่างน้อยเราก็ได้ความเบาใจเป็นสิ่งตอบแทนมาในทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาคือเบาใจว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเส้นทางเรากำลังจะไม่ต้องหมุนใจเพราะมัวหมกมุ่นครุ่นคิดเปลี่ยนแปลงเรื่องข้างนอก เราจะมีความสุขและอบอุ่นอยู่กับใจอันเป็นกุศลเมื่อรู้จักใจที่วางอาวุธอย่างแท้จริงเราจะไม่ถามใครว่าทำได้แล้วเป็นสุขเพียงใดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นธรรมดาย่อมบอกเราเหมือนคนพูดเสียงดังฟังชัดถ้าหากช่วงแรกรู้สึกท้อเกินจะทนจะลองหมั่นทำบุญสวดมนต์ภาวนา หรือหาหนังสือธรรมะมาอ่านบ้างก็ดีครับเพราะถ้าจมจ่อมอยู่กับความรู้สึกหม่นหมองมากๆแล้วก็จะยิ่งเสียกำลังใจลงทุกทีแต่ถ้ายกตัวเองขึ้นจากหนองน้ำแห่งความเศร้าด้วยกรรพิทาให้ชื่นใจในปัจจุบันคุณจะมีแรงสู้ต่อและเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะต่างไป